ทธสวัสดีคะ่ะท่านฟังที่เคารพคะ่ะดิฉันสรนีหนาคพง์มาพร้อมกับรายการสรรสินสนท น, นาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว fm 106นะคะและเช่นเดียวกันค่ะมาคนเดียวไม่ได้ดิฉันต้องราชนานิมนต์พระคุณเจ้านะคะคือพระมหาภัยบุญอภิบุญโนท่านมาเป็นผู้ที่ตอบคำถามทั้งหลายให้กับท่านฟังด้วยเพราะว่าการที่เราได้คาตอบจากพระสงฆ์ซึ่งศึกษา และปฏิบัติไปพร้อมๆกันอย่างสม่ำเสมอในี่ยนะคะที่ฉันเข้าใจว่าน่าจะทําให้ทุกคําตอบนั้นเป็นคําตอบที่ให้ความสว่างให้ความกระจ่างกับเรามากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ทั้งนี้เป้าหมายก็ต้องการให้ยามเช้าของเราทุกๆวันนั้นเป็นยามเช้าที่ตื่นขึ้นมาก็รับสิ่งที่เป็นสิริมงคลก่อนที่จะไปต่อสู้ฝ่าฟันกับชีวิตที่ร้อนด้วยแล้วก็ ไม่ง่ายนะคะสำหรับการเป็นคนเนี่ยไม่ง่ายเลยจริงๆในชีวิตประจำวันของเราหรือว่าก่อนที่ไปฟังก่อนที่ไปรับเรื่องราวที่ทำไมมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายไม่รู้จักจบจักสิ้นและตอนนี้ก็ขอเชิญไปพบกับพระสงฆ์รูปที่ดิฉันได้กล่าวถึงนะคะก็คือพระมหาภพยบุณอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโสอุดรธานีนมักการณ์กัทั้งค่ะเจรบานค่ะ เป็นเรื่องที่ดิฉันถามท่านทีหลังคนอื่นนะคะมีประสงบางรูปก็ได้ตอบถามไปบ้างแล้วละ่ะแต่ในเมื่อรายการเราก็เป็นรายการที่นําเสนอธรรมะของพระพุทธองค์แล้วก็มีพระอาจารย์อยู่ประจํารายการนี้ก็ อ, อยากกราบเรียนถามเรื่องที่เป็นประเด็นสังคมและทอล์กออฟเดอะทานะคะคือพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดเนื่องจากเป็นเรื่องที่ออกจะแปลกสําหรับสังคมไทยและเชื่อว่าสังคมโลกก็น่าจะยังไม่เป็นเรื่องธรรมดา นั่นคือเรื่องการเสียชีวิตของหนูน้อยวัยสองขวบของครอบครัวที่คุณพอ่อคุณแม่ทั้งสองเป็นด็อกเตอร์เดี๋ฉันได้ยินว่าเป็นแพทย์ด้วยนะคะแต่ว่าท่านเป็นนักธุรกิจอ่าเกี่ยวกับเรื่องทางการแพทย์เนี่ยแหละคะ่ะลูกก็ประสบชะตา ก, กรรมคือเป็นมะเร็งในสมองแล้วเสียชีวิตเร็วๆหลังจากที่คุณพอ่อคุณแม่พยายามต่อสู้ทุกอย่างผ่าตัดตั้งหลายครั้งให้คีโมก็ตั้งเยอะอนะคะสำหรับเด็กตัวน้อยเด็กบานแล้วเมื่อเสียชีวิตไปแล้ว ก็ได้มีการนำเอาบางส่วนของร่างกายของเด็กนะคะไปเก็บตอนแรกดิฉันคิดว่ า, าไปทั้งตัวแต่ตอนหลังได้ทราบว่ามีการนำไปบางส่วนไปแช่แข็งนะคะด้วยระบบที่เรียกว่า เ, าเรียกกระบวนการไครอนิกเพื่อที่จะปลุกให้ตื่นอีกครั้งหนึ่งเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ที่ทางเขาที่อเมริกาเนี่ยกำลังศึกซึ่งจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ในทุกคนก็ ต้องติดตามกันต่อไปนะคะแต่ว่าเป็นความพยายามของมนุษย์นะคะทีนี้ก็เกิดประเด็นถกเถียงกัน uh huh. ว่าในทางธรรมะเนี่ยมองเรื่องนี้อย่างไรซึ่งดิฉันขออภัยครอบครัวนี้แล้วก็น้องผู้เสียชีวิตนะคะที่หา ก, การสนทนาเนี่ยมีบางส่วนไปจับจ้องล่วงเกินหรือเปล่าเนี่ยนะค ะ, ะได้แต่รู้ว่าคุณพ่อก็บอกว่ามีเจตนาที่จะให้เหมือนกับน้องเนี่ยเป็นไอดอล ของการศึกษาทางด้านที่จะเก็บบางส่วนของผู้ที่เสียชีวิตไปเพื่อที่วันหนึ่งวิทยาการก้าวหน้าแล้วก็จะมาช่วยรักษาโรคมะเร็งร้ายแรงนี้ได้นะคะค่ะเ อ, อก็ก็เหมือนกับเวลาที่คนตายแล้วก็เผาใช่ไหมแล้วก็มีอฐัฐิถูกไหมค่ะอันนี้เราก็เก็บอัฐิไว้นะเช่อัฐิของปุยยะตายา ย, ายหรือแม้แต่อัฐิของพระพุทธเจ้าก็ยังมีการเก็บไว้แต่นี่คือเป็นแบบแปรสภาพไปมากแล้วนะคือคือคือตายแล้วค่ะ อว่างั้นเถอะนี่คือกรณีของอัลเตียคือเผาแล้วแต่ทีนี้ในกรณีที่เขาเก็บไว้ด้วยความเย็นเนี่ยอทางเทคโนโลยีคือโดยเทคนิคอลเนี่ยก็ถือว่าเซลล์นั้นตายแล้วนะเพราะว่าไม่มีไม่มีกระบวนการใดๆอ่ะคือไม่มีคือคือเซลล์ที่เขาเอาไปเก็บเนี่ยคือเซลล์สมองถูกไหมเซลล์สมองแล้วก็ไม่มีกระบวนการใดๆคือทุกอย่างแข็งหมดหลังจากพูดโดยทางเทคนิคก็คือตายแล้วค่ะ แต่แต่่ฉันอ่านข่าวบางส่วนนะคะเหมือนกับว่าเขายังเชื่อว่าอุณหภูมิที่ต่ำกว่าร้อยหาสิบองศาเซลเซียสไลแบบนี้เนี่ยก็จากการได้ผ่าหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่ไปตรวจออกคุมพ่อว่าเขาถอนฟันเด็กค่ะเพื่อตรวจดูว่าเซลล์ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ได้พบว่าเซล์ยังมีชีวิตอยู่คะ่ะคำถามก็คือว่าในทางคาสอนของพระพุทธเจ้า อันเนี้ยถือว่าอย่างไรถือว่าแค่ไหนถึงยังไม่ตายแค่ไหนตายแล้วแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะมองให้ถูกต้องต่อกรณีเช่นนี้นะฮะในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยควรจะมองกันอย่างไรความเอาเอาโดยเทคนิค ก, ก่อนสับเทคนิคน ะ, ค, ะความตายในะความตายคือการแตกแห่งกันทั้งหลายการนี่พุทธพจน์เลยใช่ไหมคถูกต้องถูกต้องความตายคืออะไรเล่ามรณะเนี่ยนะคือตายเนี่ยมรณะคือ ความทอดทิ้งร่างหนึ่งการทอดทิ้งร่างสองการแตกแห่งขันทั้งหลายอันนี้คือคือลักษณะของการตายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตถูกต้องมันรวมกันอยู่ไม่ได้ค่ะนี่คือคือโดยเทคนิคนี่คือเป็นพุทพจน์ค่ะคือตายแล้วค่ะที น, นี้ถามว่าถ้าสมมุติว่าในกรณีของในอนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีสมมุติว่ามีพวกมีนะเราเราเหมือนกับเราเปลี่ยนออร์แกน เปลี่ยนอวัยวะสมมุติ <Okay. S 1> ตับของผู้ป่วยคนหนึงหน่งเขาเสียคุณเอาตับคนอื่น ม, มาใส่เฮ้ยมันมันยังไงเนาะมันมันมันมันมันสามารถทำได้นี่แต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนจิตกันนะถูกไหมไม่ได้เปลี่ยนจิตกันเอาเขาจะทำการเปลี่ยนสมองเปลี่ยนหัวเนี่ยที่เขากำลังจะทำการทดลองอยู่เนี่ยก็ยังเปลี่ยนกันได้นะ <Okay. S 1> ที่เขาคือคนป่วยเป็นโรค a s หรือ ASL อมาก็เรียนไม่ค่อยถูก ที่ว่าส่วนล่างของร่างกายเนี่ยมันมัน paralyzed เป็นหมดแล้วเนี่ยเขาต้องการจะผ่าตัดเปลี่ยนศีรษะไปอีกร่างอีกคนหนึ่งค่ะนะีซึ่งอันนี้ก็เขาก็ทกําการทดลองคิดว่าทําได้เขาจึงคิดว่าเขาจะทำอย่างงี้นะแต่ไม่รู้ประสบการณ์เฉลี่ยหรือเปล่าน ะ, ะทีนี้ประเด็นคือว่าอะไรประเด็นคือว่าไอ้เรื่องของการเปลี่ยน ว, ว่ามันเหมือนกับฮาร์ดแวร์คุณโยมติ ว, ว่าใจนะคอมพิวเตอร์เนี่ยน ะ, ค, ะคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเนี่ยสมมติว่าคุณเอาเครื่องมาประกอบประกอบกันนะเปลี่ยน CPU เันก็ยเป็นเครื่องนี้อยู่่ก็ถ้า CPU เบอร์เดิม e หรือเปลี่ยนฮาร์ดดิสต์ถ้าคุณโคลนฮาร์ดดิสต์มามันก็ยังเป็นเครื่องเดิมอยู่มันไม่ได้เปลี่ยนมันอยู่ที่จิตตรงนี้ที่ว่าไม่ได้เป็นสภาพที่จะอยู่ในร่างกายได้เพราะฉะนั้นในคําตอบของตรงนี้ว่าเอาแล้วตอนที่ถ้าบอกว่ามีเทคโนโลยีที่จะสามารถ revive หรือว่าสร้างอวัยวะขึ้นมาได้จริงๆเนี่ยจิตที่จะมาก้าวลงในร่างกายแบบนี้เนี่ยจะไม่ใช่คนเดิม hmm. จะเป็นคนเดิม หรือจะไม่ใช่คนเดิมอันนี้นะอยู่ที่เรื่องของกรรมด้วยนะอยู่ที่เรื่องของกรรมด้วยเนะทีนี้อาจจะอยู่ที่จังหวะด้วยแหละว่าคนเดิมเขาจะมาลงได้หรือไม่มันก็อยู่ที่ว่าเขาทอดทิ้งกายเก่าของเขาไม้มาพอดีกันกับที่จะลงในกายใหม่นี้หรือเปล่าค่ะแต่แต่ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้คือน่าจะเป็นเรื่องของจิตใหม่ไปคทีนี้เท่าที่ที่ฉันได้อ่านนี้คิดเอาเองนะคะก็คิดว่ า, วานี่เป็นเรื่องความรัก ที่คุณพ่อคุณแม่นี่ก็มีให้กับลูกแล้วก็มีความปรารถนาดีที่จะให้การเกิดมาและเสียชีวิตไปของลูกเนี่ยไม่ได้เป็นการศูญย์เปล่าก็ได้มุ่งมั่นที่จะทําให้เ ป, เป็นเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอ่าอาตมาก็อ่านข่าวตรงนี้เหมือนกันเพื่อไปอเพื่อมูลก็คือว่าเป็นการต่อสู้ให้เห็นถึงการต่อสู้ของเด็กน้อยคนนี้ค่ะแต่ที่เขาว่ามีการ Recovery หลังจากที่พาตัดไป ครั้งใหญ่เนี่ยก็มีมีใจิตใจที่ต่อสู้ขึ้นมาก็เลยอยากใช้เป็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะคค่ ะ, ะนี้อ่ถ้าคำถามที่น่าจะถามนะคะดีฉันเข้าใจว่าน่าจะถามว่าอ่ระหว่างเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ควรจะวางจิตเช่นไร่เพื่อให้เกิดกุศลทั้งในส่วนตัวของคุณพ่อคุณแม่เองแล้วก็หากจะเป็นกุศลไปถึงลูกค่ะอะ่สิ่งที่ควรจะต้องทำให้เกิดเป็นกุศลได้ในที่นี้คือเห็น เห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในความเป็นของไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆแล้วก็วางให้ได้ความการที่วางให้ได้ตรงนี้จิตใจจะบริสุทธิ์ขึ้นมาจะเบาขึ้นมาจะเป็นความที่เป็นกุศลมากๆขึ้นมาทีนี้การที่ทําอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าวางไม่ได้น ะ, ะคือเรื่องของการวางมาอยู่ที่จิตใจแต่ เ, เรื่องของการกระทําัำก็ทําทุกวิถีทางคนต่อสู้นี่มันต้องทําทุกวิถีทางอยู่แล้ว แต่เพราะนั้นการกระทําทางกายหรือทางวาจาของเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าเขาวางได้หรือไม่ได้ค่ะแต่ถ้าดูดูแล้วก็คือถ้าคนวางไม่ได้เนี่ยจะต้องรําให้คลั่งครวญทุบโขกตัวไปละค่ะแต่นี้ก็พอควบคุมสติอารมณ์ได้แสดงว่าวางได้ในระดับหนึ่งที่ดีทีเดียวค่ะก็เหมือนกับว่ามีสติอย่างการวนความรักความอาลัยนี่น่เป็นเรื่องปกติมดาคนทั่วไปนะคะใช่ค่ะแม้แต่ในสมัยพุทธกาลตอนพระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยถามว่าพระอรหันเนี่ย แต่รูปแต่ละท่านเนี่ยนะมีเป็นความพระอาหารหันต์แล้วนะนะมีความอาลัยรักในพระพุทธเจ้าหรือไม่แน่นอนนะแน่นอนแต่ว่าสามารถมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นในความเศร้าโศกเสียใจนั้นได้ค่ะนะค ะ, ะคือเรนคิดว่าถ้าจะเกิดประโยชน์กับพวกเราทุกๆคนให้มากยิ่งขึ้นในกรณีที่เรากำลังหยิบยกเอาเรื่องตัวอย่างการเสียชีวิตที่โด่งดังมากกรณีนี้ มาให้เกิดประโยชน์กับทุกๆคนก็คือต้งองทําความเข้าใจในเรื่องความตายที่พระพุทธองค์ได้สอนเอาไว้ให้มากยิ่งขึ้นนะคะนอกเหนือจากที่ว่าพระพุทธองค์อธิบายว่าความตายคือความทอดทิ้งร่างคือการแตกแห่งขันทั้งหลายเนี่ยในเช่นขอถามลงไปละเอียดในตรงความทอดทิ้งร่างเนี่ยนะคะท่านคะอเอ่อก็เท่ากับว่าไม่ใช่มีอะไรทอดทิ้งร่างนี้ไปอความทอดทอดทิ้งร่างนี่หมายความว่าวิญญาณเนี่ยมันก้าวลงที่นามรูปตรงนี้ไม่ได้ค่ะ วิญญาณมันก้าวลงที่นามรูปตรงนี้ไม่ได้คือหมายว่านามรูปคือในการของเราใช่มค่ะมันมีส่วนที่เป็นจิตกับส่วนที่เป็นเป็นกายอยู่นะส่วนที่เป็นจิตเนี่ยก็คือสิ่งที่เราไปรับรู้รับทราบผ่านทางตาทางหูในส่วนที่เป็นกายก็คืออย่างที่เราเห็นกายของเราอยู่ตรงนี้นะทีนี้การที่ให้ร่างกายนี้มาทรงอยู่ได้ต้องมีวิญญาณด้วยนะวิญญาณที่จะไปก้าวลงในนามรูปในตรงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทจำได้ไหมที่ว่า พระมีวิญญาณจึงมีน้ํารูปพระมีน้ํารู ป, รรปคือมีวิญญาณตรงนั้นค่ะก้าวลงไม่ก้าวลงไม่ได้เพราะเอ่อเพราะว่าหนึ่งเรื่องของกรรมที่วิญญาณอาจจะไม่สามารถก้าวลงในน้ํารูปนี้ได้หรือสองเนื่องจากน้ํารูปนี้มันแตกไปแล้วมันก้าวลงไม่ได้ก็จบอืความอทอดทิ้งร่างคือฟังดูถ้อยคํำตอนแรกดิฉันเข้าใจว่าเหมือนกับร่างเนี่ยอยู่แต่ว่าวิญญาณนั้นไม่อยากอยู่ซะแล้วก็เลยทิ้งร่างนี้ไปอืม Um, แต่จริงๆไม่ได้หมายความเช น, น ไ, ม ไ, ไม่เป็นงานใช่ใช่ใชค่ะหมายความว่าไม่สามารถที่จะก้าวลงไปในน้ำรูปได้ซึ่งในกรณีนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าน้ำรูปนั้นสลายแล้วไม่สามารถคงอยู่เป็นถูกต้องเป็นสภาพเดิมเป็นสภาพเดิมที่จะเป็นสภาวะจะเป็นภพที่ให้เขาทรงอยู่ได้มันไม่ได้แล้วท่านคะทีนี้ความทอดทิ้งร่างกับการแตกหแห่งขันทั้งหลายเนี่ยความทอดทิ้งร่าง กับการแตกแห่งขันทั้งหลายคือเรื่องเดียวกันัหยคะเ อ, อ่อคือเป็นซินนิมกันนะถ้าเราจะอธิบายในรูปของขัน5นี่คือการแตกแห่งขันทั้งหลายถ้าเราจะอธิบายเรื่องของนามรูปนี่คือการท้อทิ้งร่างอ๋อค่ะเพราะนั้นออขันทั้งหลายการแตกแห่งขันทั้งหลายขันทั้งหลายคือร่างนั่นเองใช่ั้ยคะ อ, อ่อขันก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณันในที่นี้คือกอ ง, งก็คือเวทนา กับรูปเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้อะอ๋ อ, องั้นขันในที่นี้แปลว่านามและรูปขันในที่นี้คือนามและรูปถูกต้องนะค่ะค่ะก็เราเข้าใจได้มากขึ้นทีนี้ความตายนั่นค่อความตาย<ม>ในอีกความหมายหนึ่งพระพุทธเจ้าก็คือการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตนี้ก็มีคํานี้อยู่นี่คือความความหมายที่สนะามนะการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตค่ะ อ๋อมีมีคำว่าคือชีวิตด้วยการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตอ่าถ้าสมมุติหรือฉันเอาคําว่าการขาดแห่งชีวิตได้ไหมคะเพราะว่าเหมือนกับท่านพูดอธิบายว่าอินรีย์คือชีวิตอันนี้คือคำแปลที่เขาแปลมานะค่ะอ่าก็คือการความตายนี่ก็คือการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตตรงนี้การขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตมนุษย์เรา เกิดมาแล้วต้องตายทุกคนจึงมีคํากล่าวว่าความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดคํากล่าวนี้ถูกไหมคะไม่แน่เพราะว่าการตายนั้นมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างไรครับก็ตายแน่แน่ทุกคนนะคะเออคือหมายความว่า อ, อถ้ามีเหตุแห่งการตายการตายนั้นจะมีแต่ถ้าเหตุแห่งการตายไม่มีการตายก็ดับไปได้ การที่มันมีอยู่และการที่มันดับไปได้นั่นคือความไม่เที่ยงของการตายยังไม่เข้าใจกัไหโอเค okay, เอาใหม่ถ้าสมมุติเรามีการเกิดเราต้องตายแน่ <c oughs> อันนี้คือความแน่นอนนะเพราะอะไรเพราะมันมีเหตุของการตายนั่นคือการเกิดถ้าคุณเกิดมาคุณต้องตายแน่นอนอันนี้คือความแน่นอนเพราะอะไรเพราะเหตุมันมีโอเคนะ <c oughs> ทีนี้ถ้าบอกว่าเ อ, อ ฉ, ฉ, ฉันบอกว่าฉันไม่ตายฉันจะไม่ตายแต่ถ้าคุณเกิดมาแล้วคุณจะบอกคุณไม่ตายเนี่ยคุณพูดไม่ได้หรอกคุณพูดผิด ค่ะนะคุณคุณทำไม่สามารถทําได้เพราะคุณเกิดมาแล้วคุณต้องตายใช่ไหะนี่คือความแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่ได้เกิดมาถ้วคุณจะบอกว่าคุณจะตายเนี่ยคุณก็พูดไม่ได้นะเพราะมันไม่เห็นไม่สมเหตุสมผลอันนี้เข้าใจไหมค่ ะ, อ, ะอันนี้เข้าใจนะว่าถ้าสมมุติมันไม่มีการเกิดขึ้นมาแล้วมันจะไปมีการตายได้ไงเราจะพูดถึงการแตกทํำลายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันไม่เคยมีมามันจะเป็นไปได้ไงค่ะมันไม่ได้ ด, ดังนั้นคํากล่าวที่ว่าตาย ความตายสิแน่นอนเนี่ยอันนั้นหมายความว่าละในฐานที่เข้าใจไว้ว่าบนที่กล่าวนี้ต้องเกิดขึ้นมาแล้วใช่มีเหตุแห่งการตายมาแล้วคุณถึงพูดอย่างนั้นเนี่ยเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องอยู่เหตุนั้นคือการเกิดใช่นะคะแต่ถ้าหากว่าพูดลอยๆว่าความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนคำกล่าวนี้จะผิดทันทีผิดทันทีเพามันมันจะไม่ไม่อกาลิโกไม่อกาลิโกนะคะดิฉันเองตอน มีวันหนึ่งก็เนี่ยค่ะเขียนส่งไปให้เพื่อนแบบลงตกอ่ะยังไงยัไงก็ตายแน่แนความตายสีแน่นอนโหโดนพรรคพวกกรนนำโพสที่ศึกษาธรรมะนะคะก็อแปลว่าท่านศึกษากันจริงๆจังๆแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดูเหมือนก็ว่าคนทั่วๆไปเข้าใจยากนะคือเราต้องเข้าใจพระพุทธเจ้านิดหนึ่งก่อนนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมราชาดังนั้นคํากล่าวของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้อง ต้องชัดเจนคมต้องคมต้องต้องทุกบททุกประเด็ชนะต้องไม่มีกรณีที่มันจะผิดได้เลยคุณจะไปหาที่ผิดไม่ได้เลยสิงนี้เรียกว่าเป็นอากาลิโก่เข้าใจไหมคือคือต้องตรงจริงตลอดการไม่ว่าเวลานั้นจะเป็นเวลาไห น, นเพราะฉะนั้นความคมของพระพุทธเจ้านี่คือเหลี่ยมกูของพระองค์ในใการที่จะประกศาศธรรมะเพราะฉนั้นมันจึงเออเ ป, เป็นเรื่องที่บางทีเราทําความเข้าใจได้ยากนิดนึง่ง<อ>แต่แต่ว่าไม่เกินความสามารถหรอกแต่ว่าถ้าเราจะพูดว่าความตายไม่เที่ยงเฮ้ยทาไมถึงพูดอย่างนั้น แล้วมัน ม, มีกรณีไหนเนะ่ยเพราะเราส่วนใหญ่จะคิดว่ามันเที่ยงอย่างเงี้ยนะีซึ่ง <c oughs> ก็ทําให้บทเพียนชนะมันออกมาในรูปแบบนี้แต่ถ้าเราคิดตามตรากาเหตุผลดูเนี่ยมันก็จะพูดถึงเหตุและผลอนะ่ะถ้ามีเหตุแห่งสิ่งนี้นะสมมุติ A กออให้เกิด B นะีถ้าจะมี b ได้ต้องมี A แต่ <c oughs> ถ้าไม่มี a เนี่ยบมันไม่มีทางที่จะมีได้เอา้า <c oughs> แล้วเปลี่ยน B เป็นการตา A เป็นการเกิดเราจะเข้าใจตรงนี้ได้อืม <c oughs> แต่ก็เท่ากับว่าบนโลกใบนี้นี่เราก็สามารถพูดกับคนทุกคนได้เพื่อที่จะเตือนสติว่าตายแน่นะอย่าอวดดีไปอืมอย่าคิดว่าตัวเก่งอืมเก่งอย่างไรก็หนีไม่พ้นความตายงี้พูดไม่ผิดอันนี้เราควรจะพูดลักษณะว่ามรณสติแต่ถ้าคุณโยมตี๋จะพูดในลักษณะนี้เนี่ยก็คือเตือนสติเรื่องของความตายเนี่ยก็คือมรณสติ แต่ตนี้มรณสติก็จะมีรายละเอียดที่ไม่ได้เหมือนกับที่เราเข้ า, ขาใจกันนะคือคิดว่าฉันจะตายคิดว่าฉันจะตายมั น, มนไม่ใช่พระรูชาแบ่งเป็น2 ส, สเตปนีสเตปแรกเนี่ยก็คือพูดถึงมรณสติถูกไหมค่ะเนี่ยมรณสติก็คือข้อที่แรกก่อนอ ก, กอน็คือว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากอันนี้คือข้อที่1เหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากนีไม่ต้องอะไรมากแค่คุณกินข้าวแล้วอาหารไม่ย่อยบางทีคุณตายได้อาหารเป็นพิษคนตายมีแน่นอน <c oughs> ไม่ต้องอะไรมากคุณเดินเดินไปเดี๋ยวหกลม้มหัวฟาดพื้นตายได้มีเกิดขึ้นเยอะแยะ <c oughs> ไม่ต้องอะไรมากคุณเข้าห้องน้ําแี๋ยวบางทีมันยังไงไม่รู้มันหกลม้มเป็นปนัญหาอีก ะ, ะเหตุปัจจัยในความตายมีมากมายนี่คือข้อที่หนึ่งแต <c oughs> ข้อที่สองสเต็ปที่สองที่ต้องพิจารณาในเรื่องความตายก็คือว่ามีอยู่หรือไม่หนอสิ่งที่เป็นบาปอากุศลที่เรายังละไม่ได้ในตอนนี้มีอยู่หรือไม่ที่ถ้าปูก ว, ว่าเรามีแล้วเราจะไปไม่ดี มีอยู่หรือไม่เนาะอนนี่คือเสพที่สองนะบาปอากุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ในวันนี้ที่เมื่อเราทําการละไปแล้วจะทําให้ไปสู่ทุกขติมีไหมค่ะเนี่ยถ้ามีโดยด่วนรีบละให้ได้โดยด่วนนะเหมือนกับคนที่ไฟไหม้ศีรษะไฟไหม้เสื้อผ้านะี่ยจะต้องรีบดับไฟก่อนที่จะโทรศัพท์จะต้องรีบดับไฟก่อนที่จะไปกินข้าวต้องรีบดับไฟก่อนที่จะไปทำทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเช่นเดียวกันถ้าบอกว่า เหตุประเจกเความตายมัน ม, มากขนาดนี้แล้วเรายังมีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอยู่ในใจ เ, เรียบโดยด่วนละมันโดยด่วนอันนี้คือคือถ้ามีนะ uh huh. นะในเสียจที่2พิจรนารณาแล้วว่ามีบาปอกุศลธรรมหรือไม่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีมมให้พึ <Okay. S 1> ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทนั่นแหละนะตามศึกษาซึ่งธรรมนั้นธรรมะอะไรที่กุศลธรรมที่คุณมีนั่นแหละตามศึกษาสิ่งนั้นทั้งวันและทั้งคืนตลอดวันตลอดคืน อันนี้คือมรณสติไม่ได้คิดแต่เรื่องความตายนะไม่ใช่เลย <Okay. S 1> แต่แค่ห้าสิเปอร์เซ็นต์เองี <Okay. S 1> อกห้าสิเปอร์ซนที่เหลือให้คิดเรื่องที่จะละอกุศลห้าสิเปอร์เซที่เหลือให้คิดเรื่องที่จะเจริญกุศลค่ะ okay. เท่ากับว่ามรณสติเนี่ยทําตอนใกล้าตายเลยใช่ไหมคะขออาจานโทษคะ่ะท่านไม่ใช่ทําตอนยังเป็นอยู่คทําตอนยังเป็นอยู่ก็คื อ, อคําว่าเจริญมรณสติไม่ได้หมายความว่าก่อนจะตายต้องมีสติเอาไว้ตอนนั้น แต่ว่า่ต้องทำก่อนเสมอเสมอใช่ไหมคะแล้วก็ข้อที่หนึ่งคือดิฉันต้องคิดว่ามันตายได้ด้วยวิธีการสารพัดเลยมีมากที่เราไม่รู้ใช่เราไม่รู้ได้ทั้งหมดอย่างที่สองก็คือถามตัวเองนะคะว่ามีอยู่หรือไม่หนอสิ่งที่เป็นบาปอกุศลที่เรายังละไม่ได้ที่จะทำให้ไปสู่ทุกคตินะคะถูกต้องถ้ามี ให้รีบละโดยด่วนอืมและถ้าไม่มีอันนี้โอ้โหถือว่าสุดยอดเลยนะคะคิดไปคิดไม่ออกเลยว่าทําอะไรไม่ดีมามีแต่ดีไปหมดเลยอืมให้ปีติให้ปราโมดคือหมายถึงพอใจในใ ห, ให้สบายใจอ่ะให้สบายใจแล้วอยู่ในกุศลธรรมนั่นแหละอยู่ในความดีความงามที่คุณคิดได้นั่นแหละไหนไว้ <c oughs> ทําทานที่ไหนทํากติณฑที่ไหนนักสมาธิที่ไหนอ <c oughs> จิต ใ, ใจส่งไปทางนั้นมันดีแล้วค่ะ <c oughs> อในขณะที่ทําในอย่างที่สองก็คือว่าคิดว่ามีไม่บาปกุศลที่เรายัางละไม่ได้เนี่ยถ้าสมมติว่าไปทําใกล้กๆจะเสียชีวิตเนี่ยดิฉันว่าเผลอๆนาทีนั้นมันนึกไม่ออกเลยนะคะของดีนึกออกแต่ของไม่ดีใช่ตรง น, นี้เพราะว่าจิตมันแล่นไปเนี่ยมันตามตามภาษาค่ะเนี่ยมันมันจะแล่นไปตามกําลังของภาษาเบอิ์ถ้าบอกว่าภาษาตรง น, นั้นมาไม่ดีเนี่ยจิตบางทีมันแล่นไปในที่ไม่ดีถ้าเราไม่ฝึกมันให้ดีค่ะเดี๋ยวฉันเคยอ่านหนังสือสมัยก่อนพวกกฎแห่งกรรม หรือว่าอะไรทํานองนี้เนี่ยจะเจอตัวอย่างที่ทําให้เรากลัวว่าโอหพอใกล้จะตายนะจิตเนี่ยจะไปคิดถึงสมมุติคนมีอาชีพฆ่าหมูใช่ไหมคะเยี่ยมมากก็จะรู้สึกว่าเห็นในหมูคลํำควญตัวเองก็ร้องเป็นหมูบางทีคนข้างๆก็ไม่รู้หรอกว่าเห็นอะไรรู้แต่ว่า อ, อากับกริยามันก็ออกมาเหมือนกับว่าอ่าหลอนตัวเองใช่ใช่ค่ะ ต, ตัวตัวเนี้ยก็จึงต้อง พระเจ้าจึงบอกถามตัมราชน์ว่าเอ้ยเธอระลึกถึงความตายเนี่ยมันละกี่ครั้งค่ะแต่ว่าละครั้งนี่ยังน้อยไปนะบางคนทําช้ากลางวันเย็นอย่างน้อยไปค่ะเพราะว่าเสนามาณเนี่ยเสนาแห่งมัจจุมานเนี่ยคือคือหมายว่ามัจจุมานคือความตายใช่ไหมเสนาของมันเนี่ยคือเหล่าทหารของมันเหล่าเหตุปัจจัยของมันเนี่ยมันมีมากะค น, นไม่น่าคนไม่น่าจะต้องตายได้มันก็ตายได้อ่ะแล้วเรื่องที่แบบบางทีคาดไม่ถึง ตายได้เสนาของมัจจุมาเนี่ยมีมากอมันคือความตายนะเสนาของมันมีมากค่ะหลายคนก็เลยชักสงสัยนะคะเอาแล้วจะเจริญไปทําไมเนี่ยไม่เข้าใจ เ, าเจริญเพื่อให้เราตั้งอยู่ในกุศลธรรมไงค่ะเพราะว่าเราฝึกจิตแล้วไงสมมติคือคนที่พิจารณาเรื่องมรณะสติอย่างตามกระบวนการที่พูดถึงนะมีสองขั้นตอนนะคถ้าเขาเนี่ยจะมาถึงขั้นตอนที่สองเนี่ยอยู่ได้อย่างเป็นประจํา ขั้นตอนที่สองคือจบที่ไหนจบที่กุศลธรรมจบที่อยู่ด้วยปีติและปราโมทเขาจะจบตรงนี้เขาจะจบตรงนี้จิตของเขาจะถูกฝึกให้มาในทางที่เป็นกุศลธรรมอยู่ตลอดเวลาค่ะอันนี้คือมันจะแล่นไปในทางนั้นคือเป็นสติเลยแหละเล่นไปนี่คือสติมีสารณะอยู่ตรงนี้เลยค่ะก็เหมือนกับว่าเราฝึกให้คุ้นเคยกับการที่ไปอยู่ในแดนบวกใช่แดนกุศลเมื่อถึงนาทีชีวิตจิตจะได้อยู่ในแดนกุศลอย่างนั้นไหมคะถูกต้องถูกต้อง ตรงตรงนี้คือหมายถึงว่าเป็นสตินะเป็นสติเพราะฉะนั้นถามว่าคุณจะเอาเครื่องมืออะไรทําให้คุณตั้งสติของคุณขึ้นได้เครื่องมืออะไรที่ทําให้คุณตั้งสติของคุณขึ้นได้ที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงเราใช้ความตายคือมรณะคือความตายเป็นข้อที่หนึ่งใช่ไหมเราจึงตั้งสติของเราให้อยู่ในไหนในสิ่งที่เป็นแดนบวกได้ถามว่าแล้วใช้อะไรได้อีกใช้พุทธะก็ได้ใช้พุทโธเนี่ย เป็นพุท ธ, ธานุสติได้เราลื่มึงพระบรุญชาจิตใจของเราอยู่ในแดนบวกแน่นอนค่ะก็คืออนุสติทั้งสิบอย่างนั่นละ่ะค่ะแต่ดิฉันมีความรู้สึกว่ามรณะสติที่ถูกพูดถึงกันเยอะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยทำในสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่รู้หรือไงว่าชีวิตข้างหน้าเนี่ยต่างมีความตายไม่กลัวเลยเหรอว่า เมื่อถึงวันตายแล้วจะทําดีไม่ทันอะไรอย่เงี้ยครับประเด็นหนึ่งที่ช่วยได้มากเลยของมรณะสติเนี่ยคือคนที่เรารู้จักค่ะคนที่เรารู้จักเราคุ้นเคยด้วยเรารู้ว่าเขาเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้แล้วเขาตายเนี่ยแหมมันจะอึ้กขึ้นมาทันทีแลืละแล้วตัวเราแล้วถ้าเพิ่ยิ่งญาติหรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยมันจะอึ้กขึ้นมาเลยแหละเป็นเหมือนกับมีความร้อนใจขึ้นมานิดนึงว่าโอแล้วความดีชันอยู่ไหนความดีฉันอยู่ไห น, ค, น, ไหนค่ะแต่สตินั้น ยังมีอีกหลายๆสติเพียงแต่วันนี้เราโฟกัสคือเหมือนกับว่าเราตั้งใจจะพูดกันในเรื่องเกี่ยวกับความตายเมื่อเรามีการที่มีสติ <S <S นะคะ <S <S แล้วเสียชีวิตมีประโยชน์อย่างไรก<อ>ันนะเวลาที่เรามีสติแล้วเสียชีวิตเนี่ยที่ไปเนี่ที่ไปคือถ้าเผื่อว่าคุณสามารถตั้งสติได้พร้อมกับทำสมาธิและปัญญาให้เกิดขึ้ น, นในช่วงการที่จะตายนั้นเนี่ย ความสามารถของจิตเนี่ยคือมันอย่างที่อรมาบอกว่าพอเรารู้ตัวเราจะตายเนี่ยแล้วเราตั้งสติกันได้เนี่ยมันจะมีความร้อนใจในลักษณะที่ว่ากุศลธรรมเราใหญ่กุศลธรรมเราอยู่ไหนใช่ไหมทีนี้ถ้าคุณทําจิตให้สมดุลได้ในขณะนั้นคุณเป็นอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังต่อการตายได้จิตที่สมารุณจิตที่มาสมดุลหมายความมามีทั้งสมรรคและวิปัสสนานในลักษณะที่จะทําให้อาสุวะสิ้นไปได้และท่านคะเราไม่สามารถ ไม่สามารถทําได้ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเอาอย่างน้อยก็ยังได้เป็นอนาคามีอย่างน้อยก็ยังได้เป็นอนาคามีจําทําแบบสมาธิได้บ้างมีปัญญาแต่แบบไม่พอๆกันก็ยังได้เป็นอนาคามีแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้ทั้งสมาธิไม่ได้ทั้งปัญญาแต่จิตยังมีสติอยู่คุณได้ไปสุคติโลกสวรรค์ค่ะงั้นก็ถ้าจะอนุมานก็คือว่าหากไม่มีสติเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปสุคติเอสตินี่คือหมายความว่ามันเป็น ดีกรีนะคุณโยมถิมันเป็นแบบว่ามันไม่ใช่ว่าศนะูนยะแต่มันจะแบบว่าอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะถ้ามีสติแบบคมมากแบบพระอาหารหันต์ก็เป็นพระอาหารหันต์ใช่ไหมทีนี้ถ้าสติแบบบางเรื่องบางแนวบางแบบนะก็จะค่อยๆลดหลัน่นลุนหลังลนมานะถ้าสมมติคุณมีสติในเรื่องของการให้ทานนะคุณระลึกถึงตรงนี้ได้ก็จะไปเป็นเทวโลกนะซึ่งเขาจะมีการเอื้อเฟื้อให้ทานกันเป็นภพที่มีลักษณะนั้น <น> <c oughs> ถามว่าคนที่ระลึกถึงการให้ทานได้มีสติไหมก็มีสติอยู่แต่ถ้าเปรเียบเทียบกับพระอาหารมีสติไม่เท่านั้นถ้าเราจะบอกว่าคนนี้ไม่มีสติก็พูดได้ไม่ร้อยเปอร์เซเพราะว่ามีสติน้อยกว่าค่ <c oughs> ะคือถ้าถ้าน้อยไปสุดจนกระทั่งคุณไปคิดถึงเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยก็คือเป็ น, เ ป, นเป็นแบบไปนรกอะไปไม่ดีคือเดือดฉานซึ่งถ้าเราจะจินตนาการกันต่อไปหลายๆคนที่ามาศึกษาแล้วก็รู้สึกกลัว นะคะก็คือว่ากลัวว่าพอฝึกการมีสติแล้วมันไม่ง่ายนะคะก็กลัวว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกระทันหันตั้งตัวไม่ทันหรือมีเวลาตั้งตัวน้อยเนี่ย อ, อาจจะอาจจะมีสติอยู่ในแดนไม่ดีคือการฝึกในเรื่องนี้เป็นทักษะนะทักษ ะ, ค, ะคือเราเราดูได้คร่าวๆอย่างสมมติว่าในวันวันหนึ่งเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นของวันเนี่ย เราเป็นคนแบบไหนถ้าเราจี้จั๊ดอยู่เรื่อยอันนี้แสดงว่าจิตคุณมีความดำริที่ไม่ดีมากจิตมันจะน้อมไปในทางนั้นความน่าจะเป็นมันจะเป็นไปได้สูงแต่ถ้าในวันวันหนึ่งเนี่ยเราก็มีคิดเรื่องไม่ดีอยู่ก็จริงแต่น้อยกว่าแต่ความน่าจะเป็นที่เราจะไปนในทางไม่ดีมันก็จะน้อยลงตรงนี้คือสามราสังกปะเราจเจริญได้มากขึ้นนี่ดูเหมือนกับว่าเป็นการเลือกขนทางคติที่ไป ว่าจะไ ป, ไปสุขติหรือทุคติด้วยตัวของเราเองแต่ว่าในความเป็นจริงสิ่งที่เราจะได้พบเห็นกันอยู่เป็นประจำเช่นเราได้รู้ข่าวว่ามีใครเสียชีวิตญาติพี่น้องใครที่เรารักนับถือเสียชีวิตส่วนใหญ่เราก็จะขอแสดงความเสียใจพร้อมทั้งบางคนก็อาจจะพูดว่าขอให้ท่านไปสู่สุขติการไปหวังให้คนมาบอกให้เราไปสุขติยิ่งจะเป็นคนแก่กล้า ม, มีวิชาสูงเนี่ย ช่วยเราได้ไหมค ะ, ะจิตใจที่คนพูดก่อนนะจิตใจคนพูดก่อนจิตใจคนพูดเนี่ยถ้าเป็นจิตใจที่มีเมตตากรุณานั้นอธมาว่าดีด้วยสา ม, มามาจารที่เขามีเป็นสิ่งที่ทําได้แน่นอนทีนี้ผลของคําพูดนั้นจะเกิดเป็นอะไรขึ้นมันจะเกิดตามอย่างที่เขาพูดจริงนั้นหรือไม่อันนี้ไม่แน่อันนี้ไม่แน่นนแนคือคือพูดง่ายๆคือไม่แน่หมายความว่าอะไรขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้ตายนั้นเขากระทาอะไรไปยังไง แต่ว่าจิตของคนพูดเนี่ยที่ว่าเออไปสู่สุคติเถอะถ้าพูดด้วยจิตที่มีเมตตาด้วยมีจิตที่มีกรุณาถามว่านี่คือเป็นผลที่ดีสําหรับคนพูดแน่นอนแต่ว่าคนที่ตายไปแล้วจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่อันนี้ไม่ได้อยู่ที่คนพูดล่ะอยู่ที่คนตายอ่อถ้าจะพูดให้ชัดๆอีกทีหนึ่งก็คือว่าจริงๆเราไม่มีใครช่วยใครได้อยู่ที่ตัวเราเองถูกไหมคะสร้างด็อะไรผลก็เป็นเช่นนั้นพึ่งตอนเพึ่งถามพึ่งตอนเพึ่งถามเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยใช่ไหมคะใช่ ชีวิตนี่โหดร้ายมากนะคะอันนี้เป็นความจริงของสังสารวัตของสังสารวัตค่ะคือสังะะสารวัตมันเป็นอย่างนี้อะอืมค่ะท่างฝั่งคึ้น่าสนใจมากนะคะถ้าหากว่าเราคิดว่าเราเป็นสิทธะโคตคือนับถือพระพุทธศาสนาการเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องเนี่ยอย่างน้อยก็จะทําให้เราประกอบกิจในทางพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้เป็นไปนในทางผิดทิศผิดทาง ดิฉันเองเนี่ยก็มีเพื่อนหลายคน่ะนะคะอส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยจะชอบเรื่องดูมดดูหมอดิฉันก็เคยนะคะชอบดูดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนอะจมาก่อนมาบวชนก็ชอบมากเลยนะค่ะชอบไปดูหมอดูค่ะแบบดูแบบถูกๆดูแบบอุ่นป้าอะไรเงี้ยร้อยบาทสองรอบาทเนี่ยชอบแปลกมากนะคะดิฉันเคยฟังพุทธพจน์เนี่ยในทํานองที่พระพุทโธเนี่ยได้ตรัสแต่ว่า มนุษย์เราเนี่ยถ้าหากว่าจะเกิดความรู้อะไรอ่ะมักจะสนใจในอดีตถูกไหมคะพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังนะพูดถึงว่าเวลาจิตของพระองค์เนี่ยตอนที่เป็นโพริสัตว์เนี่ยโดยมากเนี่ยมักจะเล่นไปในกา ร, รมคุณที่เป็นอดีตแต่น้อยนักที่จะเล่นไปตามกรรมคุณที่เป็นปัจจุบันหรืออนาคตเนะี่ยนี่คือจิตของพระองค์เป็นอย่างนี้แล้วก็บอกด้วยว่าภิกษุทั้งหลายจิตก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่โดยมากเมื่อแล่นไปก็จะเล่นไปในกา ร, รมคุณหน้าที่เป็นอดีต ที่ได้เคยสัมผัสมาแล้วก็ดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนก็เท่ากับว่าคนเราชอบคิดถึงเรื่องที่ผ่านมามากกว่าใช่ถ้าตามพุทธพจน์เลยนะคะใช่ทีนี้เมื่อสักครู่ได้เรียนถามท่านเกี่ยวกับเรื่องคนเราชอบดูมาดูตัวนี้ชอบรู้เรื่องอนาคตก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่คนอยากรู้อยากรู้ข้างหน้าไม่ว่าจะ ดังนั้นจะใช้คำว่าอะไรดีล่ะคื อ, อความความอยากเนี่ยมันมันไปได้ทั้งอดีตและอนาคตไงค่ ะ, ะทีนี้ถ้าในกรณีของเรื่องกรรมคุณความสุขทั้งตาทั้งหูอันนี้คนเขาเขาก็อยากจะไปในที่ได้เคยผ่านมาแล้วทีนี้ถ้าบอกว่าเป็นการปรุงแต่งไปในสิ่งที่เป็นอนาคตอันนี้ได้แน่นอนเพราะว่าความอยากมันพาไปน๋ อ, อค่ะนะคะทีนี้คนเราก็เลยอยากรู้อนาคตข้างหน้าแต่ว่าเรากําลังคุยกันถึงเรื่อง ความตายเรื่องของการไปคติที่ดีที่ไม่ดีเนี่ยก็คิดว่าบางคนก็เพลิเพออาจจะอยากรู้เหมือนกันนะคะก็ในวความอยากเป็นเหตุของความทุกข์ไงคุณโยมเตีว <laughs> รู้ไปไม่มีประโยชน์สู้ทำปัจจุบันให้ดีกว่าดีกว่าใช่ใช่ค่ ะ, ะวันนี้เราก็พูดกันมาถึงแต่เรื่องที่หลายคนขเขาไม่กล้าพูดกันนะคะเพราะกลัวว่าพูดแล้วจะอายุสั้นก็คือเรื่องของความตาย ไม่ต้องตัดบทเนื่องจากว่าเป็นสิ่งล้ำค่าความตายที่กาลังพูดถึงนี่มีค่ามากใช่มีค่ามากคุ้มค่าที่ควรจะระลึกถึงก็แล้วกันก็คือมรณ ะ, รณะสติสตินะคะฝึกเอาไว้อยู่เป็นประจำ<ๆ>ก็จะทำให้เรานั้นได้มีโอกาสที่จะได้พบคติที่ไปที่ดีที่สุดเพลเพลอาจจะตายครั้งเดียวครั้งนี้จะไม่ได้ไหมคะใช่บรรลุถึงความเป็นพระอาหันต์ไม่ก่อนไม่หลังต่อการตาย ไม่งั้นก็ก็คงจะเวียนไหวตายอีกหลายตลาอหลายครั้งนะคะก็คงจะต้องนมัส ก, การขอบพระคุณท่านไปบูร์ก่อนและวันนี้นะคะส่วนเรื่องอื่นๆที่ยังอ่าจะกลับเรียนถามท่านอยู่ก็ขอเอาไว้เป็นสัปดาห์หน้าซึ่งจะมาพบกับท่านจาั์เป็นประจำกันทุกวันพระหัสศุกร์และวันศุกร์นะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f อฟเอมรอยในเวลาเดียวกันนี้ในวันจันทร์ถึงวันพุธท่านจาันไปบูร์ก็จะมาพูดธรรมะให้กับพวกเราได้ฟังกัน ในส่วนของการแสดงธรรมเพียงลำพังท่านเดียวนะคะสำหรับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณอาจจะรายการของเราเรามากราบน้ำสักการลาพระอาจารย์ไพบูพมิพร้อมๆกันนะคะนสักการค่ะเชิญพรค่ะส่วนท่านผู้ฟังนะคะเราก็มาติดตามรับฟังที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ดิฉันสันสนีนาพงศ์กันได้ในสัปดาห์หน้าวันพฤหัสบดีนะคะพุธ ว, วัสศีค่ะ